ก็กับบูชาพรัตนตรัยกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์วัฒนชัยพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตาม สบายนะ <c oughs> อ่าวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12 <c oughs> อีกสองวันก็จะวันลอยกระทงเนาะแล้วก็เป็นสิ้นสุดก็เรียกว่าช่วงของการทอดกระถิน นะ่เรียกว่ากรถินการก็สำหรับพวกเรานะที่อยู่วัดป่าสุกโตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของลอยกระทงอะไรเท่าไหร่นะเรื่องของกรถินเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วนะเราก็อยู่กันตามปกตินะก็ช่วงนี้อาจจะมีคนไปคนมานะ แล้วก็ <c oughs> บางส่วนวก็อยู่ประจำนะบางส่วนก็เพิ่งมาใหม่การมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็เข้าใจว่าคงมีความตั้งใจเหมือนๆกันนะที่จะมาเรียนรู้นะธรรมะนะหรือการปฏิบัติธรรมนะซึ่งคำพูดคำนี้เนี่ยมาจะดู ห่างเหินหรือว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะที่ชัดเจนที่สุดก็คือมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกายใจในทุกสถานการณ์ในทุกเวลาหน้าที <c oughs> ที่เรายัางรู้สึกตัวอยู่อย่างในช่วงนี้นะก็ <c oughs> มีพระอยู่ไม่มากโยมก็มีอยู่ พอสมควรนะบางทีบางคนนะหรือบางท่านเราก็า จ, จะรู้สึกว่ามันเงียบเหงาเหลือเกินเนาะเราเคยอยู่ในช่วงกัปปรญสาพระเยอะเลยโยมก็มากนะโดยเฉพาะในช่วงที่มีกลุ่มมาปฏิบัติธรรมนะช่วงนี้ไม่มีนะมีคนน้อยมีพระน้อยอาจจะรู้สึกเงียบเหงานะก็อาจจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย นี่ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นซึ่งเราคงต้องเรียนรู้กับมันคงไม่ต้องไปหนีมันความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาแสดงมาปรากฏให้เราได้เรียนรู้ทีนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสังเกตอาการเหล่านี้เนี่ยเราก็จะหนีมันนะเหมือนอย่างที่ผ่า น, านมา การใช้ชีวิตในโลกในสังคมส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับความรู้สึกเหล่านี้พอมันเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเนี่ยเราก็จะต้องหาเรื่องเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่อยู่กับที่ไม่ได้นะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินไปในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ <c oughs> เดือน พิจิการธันวามกราเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเลยละ่ะนะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่เราจะสแสวงหาความสุขจากความสนุกสนานนะจากงานรื่นเริงต่างๆนะก็มีกันอยู่ตลอดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราพยายามที่จะไปสแสวงหาความสุขนะจาก <c oughs> สังคมจากบุคคลจากกิจกรรมจากงานต่างๆที่ก็จัดขึ้นมา โนะดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีความสนุกสนานงานเ ล, ลื่อนงานฉลองในโอกาสต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้สัมผัสนะได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะเป็นความสุขที่ได้จากการที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะเป็นความสนุกสนานเป็นความสุขในระดับพื้นฐาน นะที่เรารู้จักกันดีแต่ความสุขเหล่านี้เนี่ยนะมันก็มาไวไปไวนะเรียกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป <c oughs> แล้วก็เราก็จะวิ่งหากันเรื่อยไปนะเรียกว่าเที่ยวจากที่หนึ่งนะเห็นแล้วก็ออกแค่นั้นแหละนะก็หาที่ใหม่เปลี่ยนไปนะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่ง เดี๋ยวไปเที่ยว้อยกระทงที่สุขโขทัยนะอ่ะปีที่แล้วไปสุขโขทัยอ่ะปีนี้เดี๋ยวเราไปเชียงใหม่เนีเชียงใหม่มีร้อยกระทงเหมือนกัน น, นี้ก็เรียกว่า <c oughs> วิ่งหาความสุขนะจากที่ต่างๆ่าบางคนก็วางแผนไว้ล้นะปีใหม่นี้ปิด5วันลางานสักสองวันนะเป็น9วันเตรียมไปต่างประเทศนะเออไปประเทศไหนดีเอาไปใกล้อ่ะประเทศจีนอันนี้ สะดวกนะคนจีนคนจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยนะตอนนี้ฟรีวีซา่านะก็มาเที่ยวกันเยอะแยะเลยปีใหม่เนี่ยคงจะคึกคักทีเดียวละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราสแสวงหาความสุขนะจากการท่องเที่ยวจากความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆนะเป็นการที่เราพยายามที่จะหาสิ่งข้างนอกเนี่ยมาเติมเต็มนะหรือมาทำให้เรารู้สึกมีความสุข นะซึ่งเกิดจากการที่เร า, เาไม่คุ้นนะกับความสงบสงัดที่เป็นความสงบสงัดทางกายก็นะเรียกว่ากายาวิเวกอย่างการที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะสถานที่วิเวกสงบส ง, บสงบัดนะและถ้าเราอยู่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ดินน้นรนเราไม่ได้ <c oughs> รู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเนี่ย นะก็ถือว่ากายของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะัเรียกว่ามีกายสุจริตแล้วก็กายสามารถจะอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขนะที่ได้จากความวิเวกนะเขาเรียกว่ากายยัววิเวกซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปวิ่งหาที่ไหนนะ หรือบางคนอาจจะมีความสุขสนุกสนานหรือเกิดความเบื่อนายน่าลึกเกิดความอิ่มก็ได้อา้าอิ่มอมิหรือว่าเอืมละอากับความสุขจากสนุกสนานนะก็อยากจะที่สงบสง บ, สงบนะไปอยู่เงนะียบเงียบนะอย่างที่บางคนก็าจะมาวัดป่าสุกโตด้วยจุดประสงค์นะี้ความสงบสงัดยิ่งโดยเฉพาะอย่างเวลานีนะ้ช่วงตอนเช้า นะยัง <c oughs> ในหมู่บ้านนะก็ยังไม่ตื่นนะฮะก็เราอยู่ที่นี่ก็เงียบสงบสงดัดนะสถานที่สงบสงดัดนะก็ทำให้แวดล้อมนะทำให้กายวิเวกนะก็คือความสงบสงดัดนะเนื่องจากกายของเราอยู่ในที่สงบสงัดนั่นเองนะแล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ได้มีเสียงอึกทึกรึกรมนะนี้ก็ เป็นความสงบเป็นความสุขนะได้พักผ่อนนะจริงๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะผู้ที่ผ่านโลกมาพอสมควรนะก็จะรู้สึกเอื่มละอานะหรือว่าเบื่อนหน่ายนะกับความสุขที่ได้จากสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะเรียกว่าเหนื่อยกับมั น, ม, นมันพอสมควรแล้วนะก็มาพักนาะมาพักพักกายพักใจในที่สงบสงัด อย่างที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้เขาเรียกว่ามีกายวิเวกเมื่อสงบสงัดจากกายแล้วจิตมันก็สงบสงัดไปด้วยก็คือจิตวิเวกคาว่าจิตวิเวกเนี่ยหรือความสงบสงัดของจิตนั้นก็หมายถึงว่าสงบสงัดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆบางทีเราอยู่ในที่สงบสงัดก็จริง กายเราสงบสงันต์ก็จริงแต่ติดไม่สงบสงันต์ก็ไดนะ้อย่างบางคนเนี่ยไม่คุ้นกับการมาอยู่ที่สงบสงัดเช่นวัดป่าอย่างเงี้ยนะก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องราวต่างๆนาะนาะนะไม่มีเครื่องที่จะมาควบคุมระงับนะหรือว่าทําให้สงบสงันตะ์เพราะนั้นคนที่มาใหม่ๆแล้วไม่คุ้นกับสถานที่เนี่ยนะก็จะคิดฟุ้งซ่านไปอยู่เงียบๆ นะก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นะต้องหาไอ้นูน่นไอ้นี่ทาหรือต้องหาเรื่องออกไปข้างนอกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่ <c oughs> เราอาศัยสิ่งข้างนอกเนี่ยนะเรียกว่าเบีเ่ยงเบนความสนใจไปเราก็เลยไม่ได้เรียนรู้นะความไม่สงบสงัดก็คือความที่จิตมันฟุ้งซ่านนั่นเองทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตมันสงบสงัด การจําำให้จิตสงบสังัดนั้ น, นก็คือการที่เรามาฝึกเจริญสตินั่นเองการฝึกเจริญสติเนี่ยาการมารู้ที่กายเคลื่อนไหวและเห็นใจนึกคิดอย่างที่เราฝึกกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูความคิดที่มันฟุ้งซ่านเราอยู่ในที่สงบสงดัดกายสงบสงดัดแต่จิตมันไม่สงบสงดัดเราจะได้เห็นมัน ความคิดมันฟุ้งซ่านนะความคิดมันฟุ้งซ่านเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันความคิดเราเพลิเพลินเราหลงไปในความคิดนะคิดสุขก็ดีคิดในเรื่องความทุกข์ก็ดีความพอใจไม่พอใจก็ดีนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้เรียนรู้มันเราไม่เห็นทันมันเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันนะเพราะฉะนั้น เราก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปกับความคิดฟุ้งซ่านนะโดยเฉพาะบางคนที่มีความคิดมาก <c oughs> นะบางทีก็มีผลทําให้ร่างกายของเรานั้นนะเจ็บไข้ได้ป่วยมีความดันสูงนะหรือบางคนก็กวลกวายใจอยู่ในที่สงบสงัดแต่ไม่เป็นสุขนะเพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบสงัด เขาเรียกว่าจิตมันไม่วิเวกนะตอนนั้นการจะทําให้จิตวิเวกนั้นนะก็ต้องอาศัยเครื่องมือนะก็คือการเจริญสตนะิการที่เรามารู้สึกตัวนะโดยเฉพาะาอย่างยิ่งให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนอย่าพิ่งไปห้ามมันความคิดฟุ้งซ่านน่ยมันคิดได้คิดไปไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว บางคนไม่เคยฝึกมาเนี่ยก็พยายามจะห้ามพยายามจะไม่คิดหางานอย่างอื่นทำหาเพื่อนคุยหาสังคมไปคุกคีกับหมู่คณะนะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนเป็นการที่อาศัยสิ่งอื่นๆเนี่ยกลบเกลื่อนไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทาให้เราพลาดโอกาสนะที่จะเรียนรู้นะความคิดฟุนะ้งซ่านความที่จิตมันไม่วิเวก การที่จิตไม่วิเวกจิตฟุ้งซ่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่รู้ว่าจะมีวิธีการควบคุมระงับมันอย่างไรการที่เราเห็นความฟุ้งซ่านนะเกิดขึ้นแล้วเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่เราพยายามที่จะกลับมาสู่ปัจจุบันความฟุ้งซ่านจะเป็นเรื่องไปในอดีตก็ตามไปในอนาคตก็ตาม หรือิตกวิจารณ์ในเรื่องปัจจุบันก็ตามนะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะคิดไปเรื่อยนะไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนั่นก็คือไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันทิ้งมันไปไม่สนใจมันสิ่งใดที่เราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ไปอะไปแล้วมันมาใหม่มาใหม่เราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ไป มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้ น, นความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันมาแล้วก็ไปทีที่มันไม่ไปเพราะเราไปจดจำเราไปย้ำคิดย้ำทำเราพยายามที่จะไปกดข่มมันยิ่งไปกดข่มมันเนี่ยมันยิ่งมีอำนาจเราทำไม่สนใจไปเลยเหมือนเพื่อนเนี่ยมาหาเราที่บ้านถ้าเราไม่สนใจสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ต้องหนีไปเขาไม่มาแน่นอ น, นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ย หรือความคิดปรุงแต่งเนี่ยก็เหมือนกันนันะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้นะด้วยการที่เราจเจริญสตินะมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยทําให้จิตของเรานั้นสงบสงัดได้คาว่าจิตสงบสงัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่คิดอะไรนะคิดแล้วรู้ทันแล้วไม่ตามมันมันไม่ได้ว่าจะหายไปเลยนะความคิดเนี่ย เพียงแต่ว่ามันไม่มีที่พลที่ทําให้เราสุขหรือเราทุกข์มันคิดมาก็เป็นธรรมดาที่มันจะคิดมาแล้วก็ผ่านไปคิดมาแล้วก็ผ่านไปนเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองหรือบางค น, นหรือบางท่า น, นไปฝึกสมะถะกรรมฐา น, นสงบนิ่งนอันนั้นก็ไม่มีความคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันจิตวิวเวกเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่า เราอาจจะไปติดในความสงบนะตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะเพราะนั้นคำว่าจิตวิเวกเนี่ยก็คือการที่จิตสงบสงดัดนะปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะหายวิธีเดียวเลยมันยังคงมาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มาทำความรบกวนให้กับเราเรียกว่าจิตของเราก็เป็นปกติอย่างนั้นเองเห็นจิตที่คิดนึก นาเห็นจิตที่ปรุงแต่งนาต่างๆนาน า, นาเพียงแค่เห็นแต่ไม่เข้าไว้เป็นนาอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พูดเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาทำเอามาปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าจิตวิเวกทีนี้เมื่อเราเห็นจิตมันสงบสงดบ่อยๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณานาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานา เห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อความละอาากับความคิดปรุงแต่งความเหนื่อยที่จะต้องไปวิ่งตามความคิดความยึดถือความหนักความหน่วงที่เกิดขึ้นจากการไปยึดถือในสิ่งต่างๆจะเป็นความคิดก็ดีเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเรียกว่ากามก็ดีสิ่งเหล่านี้เราก็มองเห็นว่า มันเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประเดาท่านนันเองมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะมันเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะหรือแม้แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาคําว่าปัญญานี้ไม่ใช่คิดนึกนะ แต่เป็นบัญญาที่เกิดจากการเห็นความเป็นจริงว่าจิตที่มันคิดนึกก็ดีร่างกายที่มันแปลปวนไปก็ดีมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันด้วยสติปัญญาไม่ได้เห็นด้วยความคิดนึกเอาแต่อย่างที่เราท่องเราสวดสาตยายต่างๆเนี่ยเราก็พอจําได้พอคิดได้แต่ไม่ใช่ความจริง ความจริงก็คือสิ่งที่เราต้องเห็นเห็นจากอาการที่มันเกิดขึ้นมันแปรปวนมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วมันก็อ๋อขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะนะที่เรียกว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรปวนความทนอยู่ไม่ได้ความไม่สามารถบังคับบัญชาได้เราเห็นมันบ่อยๆเห็นแล้วเห็นอีกซ้าแล้วซ้าอีกจนเกิดความเอื่องละอาเกิดความเบื่อหน่าย ต่อความที่เราไปยึดไปถือตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการปลดล็อกเรียกว่าปลดปล่อยหรือปลดปล่อยวางขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปใช้ความคิดนะซึ่งตรงนี้นี่แหละนะมันก็จะเกิดวิเวกชนิดที่สามที่เรียกว่าอุปทิวิเวกก็คือความสงบสงัดจากกิเลสซึ่งแน่นอนละ <c oughs> สำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็อาจจะยังไม่ ปลดล็อกได้ทั้งหมดนะแต่เราก็ปลดล็อกได้ทีละเล็กทีละน้อยนะอย่าง น, น้อยๆเรื่องของการที่เราสำคัญมั่นหมายว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเป็นตัวเราเป็นของเรามันเกิดการปล่อยการวางว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเลยมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเราไปหลงยึดถือเราไปเอาว่าเป็นตัวเราเราเจ็บเราป่วยเราสุขเราทุกข์นะ ตนี้มันเกิดการปล่อยการวางจากทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะหรือบางคนนะทำมานานก็ จ, จะเกิดการตรล็อกอย่างฉับพลันก็ไดนะ้นี่ก็แล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนนะที่จะมีเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะมันจะทําให้เราสัมผัสกับความสุขในะอีกชนิดหนึ่งที่เป็นความสุขจากความวิเวกนะความสงบสงัดจากกิเลส ความสงบสงัดเพราะจิตนั้นสงบสงัดนะส่วนกายวิเวกก็คืออยู่ในสถานที่วิเวกหรือเราประพฤติดนะีแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอันนี้เราเป็นความสุขที่แตกต่างนะไปจากความสนุกสนานนะที่เราคุ้นเคยนะลึกเคยได้รับนะจากการที่เราไปท่องเที่ยวก็ดีไป สนุกสนานในกิจกรรมต่างๆก็ดีนะเป็นความสุขที่แตกต่างออกไปและเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้เราสามารถที่จะทำได้ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยและเป็นสิ่งที่น่าจะทำด้วยนะถ้าเราไปมัวสุขจากความสนุกสนานเราจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติเราจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะได้พักผ่อนเขาบอกว่าการพักผ่อนาจากการเจริญสติเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงเราไม่เหนื่อยเราพักทั้งกายพักทั้งใจแต่ถ้าเราไปเที่ยวสนุกสนานเนี่ยบางทีนมันพักพักกายได้เป็นช่วครั้งชั่วคราว หรือพักใจได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวกลับมาก็เหนื่อยสังเกตไหมเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามกลับมาเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกบางทีก็จิต <c oughs> ใจก็บางทีก็วุ่นวายกับเรื่องต่างๆก็มีเหมือนกันนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นการมาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยให้เราได้สัมผัสนะความสุขจากความวิเวกนะซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตละเอียด แล้วก็ได้พักผ่อนจริงๆนะได้เคยได้ยินคําที่ท่านจันพุทธทาตนะท่านเขียนไว้ที่สวนโมกท่านบอกว่าที่สงบสงัดเนี่ยเป็นที่พั ก, พกผ่อนของจิตวิญญาณที่ดิ้นรนนะแปลมาจากภาษาอังกฤษนะซึ่งคําคํานี้เป็นคําที่ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังติดมาจนถึงปัจจุบันเราก็เลยว่าอึ้งจริงเนาะเรามาอยู่ในที่สงบสงัด ากายสงบสังัดจิตสงบสังัดแล้วสงบสังัดจากกิเลสขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะสุขขนาดไห น, นเป็นสิ่งที่น่าสัมผัสเป็นสิ่งที่น่าได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับมั น, นเป็นความสุขที่เหนือความสุขเป็นสุขที่เหนือสุขจริงๆเหมือนอย่า ง, งที่ก็บอกว่านิพพานังประมังสุขขัง นะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะนี่เป็นคําที่มีในพุทธศาสนาสุภาษิตเพราะนั้นเมื่อเรามาที่วัดป่าสุก โ, โตแล้วก็อย่าลืมนะที่จะมาลิ้มรสความสุขนะที่เกิดจากความสงบสงัดในจิตใจความสงบสงัดจากกิเลสแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตามนะตรงนี้จะทำให้เรามีความชุ่มชื่นใจ นะความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่เราได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนั่นเองขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้ถ้าเราไม่งกง่วงไม่งวงเหงาเหานอนไม่ฟุ้งซ่านจิตใจเราเป็นปกตินี่แหละเนะขาเรียกว่าเป็นความสงบสงัดเล็กๆ น, น้อยๆที่เราลิ้มรสแต่มันอาจจะจืดชืดไปนิดนึงมันอาจจะไม่เหมือนความสุขที่ได้จาก การเที่ยวสนุกสนานนะแต่ว่ามันก็หล่อเลี้ยงทำให้เราชุ่มชื่นใจนะละลายความกระหายนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราแสวงหนาะความสุขนะทางกายหรือแสงแสวงหนาะความสุขจากโสดระสานสัมผัสต่ตางๆนะนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสังัดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ เชิญชวนพวกเราเนาะที่มาอยู่วัดป่าสุกด โ, โตเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆมาอยู่ที่นี่พยายามนาะที่จะเรียนรู้พยายามที่จะฝึกฝนตนเองนะเพราะว่าการที่สัมผัสความสงบส ง, งัดนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองมันต้องทำนะมันต้องผ่านการปฏิบัตินะแล้วก็ผ่านความทุกข์ยากนะโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประตูที่จะเราผ่านไปน่าสู่ความสุขความสงัดได้เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามาแล้วมันจะสงบสงัดทีเดียวมันจะเริ่มจากการที่เราสัมผัสกับความฟุ้งซ่านนี่แหละความไม่สงบสงัดนี่แหละนะมันก็จะนําไปสู่ความสงบสงัดเพราะฉะนั้นประตูที่จะไปสู่ความพ้นทุก์ก็คือความทุกข์เพราะนั้นเรียนรู้ทุกผ่านไปสู่ความพ้นทุก เครื่องมือที่จะใช้หรือกุญแจสําคัญก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะเป็นสิ่งที่จะนําพาเป็นกุญแจดอกเอกนะที่หลวงพ่อเทียนท่านได้พูดเอาไว้นะแล้วก็ไปตรงกับเอาที่พุทธองค์ได้พูดเอาไว้ว่าอริยสัจข้อแรกก็คือความทุกข์นะเพราะนั้นเราต้องผ่านความทุกข์นะแล้วก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์นะแล้วก็ทางแห่ง ความพน้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะถ้ามาปฏิบัติแล้วทุกข์นั่นแหละเป็นทางเริ่มต้นอย่าท้อแท้อย่าย่อท้อนะในระหว่างทางมันต้องเจออุปสรรคต่างๆก็ขอให้ใช้ความเพียรความพยายามอย่าอย่างที่เราได้สาธยายมนไปเรื่องความเพียรนะความตั้งใจในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นอกุศล อกุศลที่ว่าคือความไม่รู้ตัวนั่นเองนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรเจริญกุศลก็คือเจริญความรู้สึกตัวนั่นเองให้มากยิ่งขึ้นให้รู้สึกตัวบ่อยๆให้รู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับสันติสุขนะที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอ เอาบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสนะท่านเขียนเอาไว้ดีเรื่องความสุขแต่บางคนก็คงเคยได้ยินแล้ว <c oughs> ท่านเขียนไว้ว่าความเอ๋ยความสุขใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งอย่างแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัญหา ก็น่าจะสุกถ้ามันเผาเราก็สุกสุกกอไก่นะหรือเกรียมได้เข า, าสุกสุกเน้ออย่าเหือัยมันสุกเย็นหรือสุกไหมให้แน่เอ่ย น, น, น, นี้ก็เป็นกติที่น่าสนใจนะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างยิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรานั่นคือพระพุทธตัวจริงพระธรรมคือเศรษฐธรรมความจริงสิ่งที่ปรากฏ ท, ทั้งที่เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามเป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปเรียนรู้ทั้งกายและใจของเราและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหรือการกระทา ที่เรากระทำลงไปที่เราเรียนรู้ลงไปแล้วก็ด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติของทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้พบกับสันติสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือความสุขที่เราควรจะได้สัมผัสในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถรนเจริญพร